เราเอามือวางไว้บนขาพลิกขึ้นคว่ำลงก็ได้หรือเราไม่อยากพลิกขึ้นคว่ำลงเราเพียงเอามือสัมผัสนิ้วอย่างนี้ก็ได้สัมผัสอย่างนี้ให้มีความตื่นตัวทำช้าๆหรือจะกำมือเหยียดมืออย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเอามือสัมผัสขาเราอย่างนี้ก็ได้ไม่มีเวลาที่จะทำบางคนว่าทำไม่ได้มีกิเลสเข้าใจอย่างนั้นอันนี้ ถ้าเราตั้งใจแล้วต้องมีเวลามีเวลาเพราะเราหายใจได้เราทำการทางานอะไรให้มีความรู้สึกตัวเส้นเราเป็นครูสอนหนังสือเวลาเราจับดินสอออกมาเขียนหนังสือเรามีความรู้สึกตัวเขียนตัวหนังสือไปแล้วครูอันนี้เป็นการเจริญสติแบบธรรมดาธรรมดาศึกษาธรรมะกับธรรมชาติ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 ไม่สนใจเรื่องซีวิตนี้เองเมื่อเราทาอย่างนี้ทาบ่อยๆมันจะปรากฏความปรากฏนั้นคือความสะสมอันนี้เป็นเหตุผล ข, ของมันเกิดขึ้นนั่นเดีวยวญานของปัญญาเหตุของมันคือทำความรู้สึกสมมุติเราเอาผลละไม้ไปลงดินเมื่อเอาผลละไม้เอาเม็ดพืชอะไรต่างๆนี่ไปเพาะไปปลูกไว้เราเอาน้าไปลดมัน รถบ่อยๆความอบอุน่นกระทบเข้าไปในผลเม็ดพืชอันนั้นมันก็แตกขึ้นมามันก็เป็นผลขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันที่เราทํานี่ัเป็นเหตุของมันเหตุของมันคือเราทําความรู้สึกขนของมันปัญญามันจะรู้ขึ้นมาทันทีอันนั้นเป็นรูป น, นี่เป็นนามเราจะรู้จากเองแต่ไม่ไปนสนใจมัน ที่อาตมานามาเล่าให้ฟังนี่จำได้อันนี้รู้จำเมื่อเรารู้จำแล้วต้องพิจารณารู้จักรู้จักแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาธรมให้มีสติตื่นตัวอยู่เสมอเป็นการรู้แจ้งเป็นการรู้จริงคาว่ารู้แจ้งรู้จริงนี่หมายถึงรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาอันนี้รู้แจ้งรู้จริง อย่างไรก็ตามจําเป็นรู้จําก่อนบัด น, นี้เมื่อเรานั่งนานๆมันเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเราก็ต้องเดินเดินไปเดินมาก้าวเท่าไปก้าวเท่ามาทาความรู้สึกแต่ไม่ได้พูดว่าสายยางหนอะหัวยางหนอไม่ต้องพูดเพียงเอาความรู้สึกเท่านั้น อันความรู้สึกนั่นแหละเป็นการเจริญสติคำว่าสติคมระลึกได้อันคมรละลึกได้กับควมรู้สึกนั้นเป็นอันเดียวกันบัดนี้เมื่อเราทำบ่อยๆคมคุ้นเคยมันบ่อยๆเมื่อมันคิดผูกขึ้นมาเราจะรู้สึกอันความรู้สึกนั้นท่านเรียกว่ามีสติมันรู้สภาพหรือภาวะของความคิด ดังนั้นการเดินจมกรมก็เป็นการเจริญสติเป็นการระลึกได้จริงๆอันนี้ไม่จำกัดไม่กำหนดกฎเกณฑ์อยากเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนท่าคนแก่กลางคนก็ทำได้เพราะเราไม่ต้องการความทุกข์เมื่อเราทำอย่างนี้ความทุกข์มันหายไปเองสมมุติเหมือน ก, นกันกับที่เราอยู่ที่มืดเราไม่ต้องการความมืด แต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะไล่ขมมืดได้เราเพียงมีไม่ขีดไฟหรือเทียนขึ้นมาก็าตามจุดไม่ขีดไฟออกไปขมืดมันหายไปเองอันนี้ก็เหมือนกันแต่เราทํำขมรู้สึกอยู่อย่างนี้เมื่อเราทํำขมรู้สึกอยู่อย่างนี้ขมโกรธขมโลภขมหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วที่มันโกรธมันโลภ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 ทำลายความหลงผิดได้อ น, นั้นแหละถูกต้องที่อาตมาพูดนี้อาตมารับรองได้รับรองได้จริงๆทําทำไมว่ารับรองได้เพราะอาตมาแต่ก่อนก็เคยโกธเหมือนกันเมื่ออาตมามาทำอย่างนี้อาตมาว่มโกธมันไม่ได้มีเพราะอาตมาเห็นข่มโกธไม่มีอย่างที่ญาติโยมและท่านทั้งหลายนั่งฟังอาตมาพูดนี้ในขณะนี้ อาตมาเข้าใจว่าทุกคนไม่มีโกรธใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่ในขณะนี้ไม่มีโกรธใช่ไหม mm hmm. เมื่อความไม่มีโกรธนี่เราจะไปหาความโกรธทําไมเพราะโกรธมันไม่ได้มีอยู่แล้วนี่นะบารีอาจารย์ทั่วไปสอนให้เราไปละความโกรธและไปหาความโกรธมันไปหาของไม่มีมันก็ไม่เห็นเมื่อมไม่มเห็นเราก็ไปว่าทําบุญให้ทานรักษาศีลไปก่อน ให้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อหลังจากการตายแล้วอันนั้นแปลว่าคนไม่รู้จริงคนคาดคิดโดนเดาเอาเองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอดีตที่ผ่านไปแล้วมันจะทำอะไรให้เราไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้อ น, นาคตที่ยังไม่มาถึงมันจะมาทำอะไรให้เราไม่ได้มันจะทำให้เราได้ตั้งแต่ในขณะนี้